ท่านอาจารย์มหาบัวเทศที่วัโพ ท, ที่สมพรจังหวัดอุดรธานีวันที่28กรกฎาคม2555ต่อจากตอนหนาโปดศของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีนะโมตักจาพระทวโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธ n นะโมตัสสะพระขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพระวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาอานิจจาวตสังขาราอุปาทวจะธรรมิโนอุปัิตวานิรุชันติ เอสังบูปะสมุสูโคตีภาสิตที่ได้ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นนี้ภ้าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ที่เจรนาตามหลักความจริงยอมจะเห็นได้ว่าภาสิตข้อ น, นี้เป็นภาสิตที่ยกขึ้นแสดงในที่ต่างๆซ้ำๆซักๆ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 และเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นเป็นความสุขอันยิ่งดังนี้คำว่าสังขารทำที่ว่าไม่เที่ยงก็ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ดีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าสังขารประเภทใดที่เป็นทายแจ่บรรดาจักทั้งหลายอยู่นับบัดนี้ และสังขารประเภทใดที่เป็นเหตุให้หลังน้าตาเป็นเหตุให้เกิดความนิโยคพัดลาเป็นเหตุให้เกิดความเสียอกเสียใจเป็นเหตุให้เกิดความรุนเริงบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความรักความชังความก่อกังวลในใจของเราไม่มีเวลาดิกยังจะได้แช่สังขารประเภทใด องสมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้าท่านตรัสไม่ว่าอนิจจาวัสังขารามันดาเราทั้งหลายคุณทราบใกล้ใกล้นบบัดนี้มีหลักฐานพยานยืนยันให้เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่แล้วอย่างคัดค้านกันไม่ได้คือเจ้าพระคุณพระธรรมเจดี ซึ่งมีคุณงามความดีบุญญาพิสมผานได้สร้างสมอบรมไว้ไม่น้อยและได้ก่อร่างสร้างวัดโพีิสมพรเป็นเวลาสี่สิบปีนี่แล้วท่านก็ไดมรณภาพจากความเป็นเข้าสู่ความตายนี่ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับสลายที่เราให้ชื่อว่า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 มันเป็นเหตุให้หลังน้ำตาของมรรดาสัตทั้งหลายทั่วทั้งโลกนี้ไม่มีเวลาหยุดยังคือสังขารธรรมประเภทนี้เท่านั้นจึงเป็นสังขารธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ความรักก็ดีความชังก็ดีความดิโยคัราชก็ดีความหลงความรักความเพลิดเพลิน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 ดับไปดังนี้สังขารธรรมไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแต่ผู้ที่ตายแล้วไม่เที่ยงเห็นแต่ท่านผู้ที่ตายนั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปพึงน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรากายของเราทุกทิ้นที่เราครองเป็นเจ้าของอยู่ในบนัดนี้ก็คือสังขารธรรมประเภทนั้นนั่นเองแปลสภาพไปเส้นเดียวกัน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 รากฏเป็นตัดบ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างตกนรกอเวจีบ้างติดคุกติดตารางได้รับความทุกความยากลำบากเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์โถมรับกลายเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์สับสนปนเปย์กันอยู่ตลอดเวลา ก่อนเนื่องไปจากอบิชาคือความหลงตนของตนเป็นผู้ที่ได้โคยผ่านมาแล้วอย่างนี้ด้วยกันทุกๆุกคนก็ไม่สามารถที่จะคํานวณถึงความเป็นมาของตนได้การกล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทั้งขารธรรมทั้งนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงท้ายโยนิโสคือปัญญาทีนี้พี่จะนาถึงเรื่องหลกักธรรม ที่เป็นจิงประกาศดีทั่วทั้งโลกกะไม่มีเวลาที่จะสงบพบเนียบลงไปได้คือความเกิดหนึ่งความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งเป็นไปอยู่ทั้งจัดทั้งบุคคลทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งนอกเมืองในเมืองทั้งใต้น้ำทั้งบนบกทั้งในบิน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 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัตว์แต่สังขารประเภทนั้นๆจึงปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะในบ้านในเรือนหรือในเครือญาติของเราว่าเป็นผู้แก่ผู้ตายผู้สีายผู้ทาลายแต่เมื่อจะพี่ารนาให้เห็นตามหลักธรรมชาติแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เคยประกาศตนมาตลอดเวลา พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตามไม่อุบัติขึนข้นก็ตามธรรมชาติคือความเกิดความตายซึ่งมีประจําอยู่ในสัตว์แต่สังขานนีนั้นเป็นของเคยมีมาแล้วสร้างแต่ดึกดําบรรใ น, ไหน ไ, หนไหนไม่ทราบเป็นมาอยู่อย่างนี้ปัจจุบันในวันนี้เราทั้งหลายก็เห็นแล้วในโกธของท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดี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 ในตัวของเราเองหรือผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากผู้ไม่ค่อยเกิดโรคเกิดภัยมีความสุข ก, กายสบายใจเครื่องช้าไม่สอยคิดอะไรมีมาได้มาตามความปรารถนาไปไหนก็มีคนแห่แหนมีคนนับหน้าถือตามียศถาบรนณาศักทิ้งทานบริวาร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 ผล ค, คือความดีที่จะปรากฏแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบจะปรากฏตั้งแต่ความดีทั้งนั้นปราธนาจิงใดได้สมหวังเพราะเหตุใดเพราะจิงที่จะสมหวังนั้นก็คือสมบัติของการกระทําที่ตนของตนได้กระทําไว้แล้วเราจะจําได้ก็าตามจําไม่ได้ก็าตามผลนั้นเรา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 วิชาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหัวใจของเราหนาบันี้เราเรียนมากี่วันในวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้รับถ่ายทอดความรู้จากครูมากน้อยเท่าไรไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ในวิชาของตนทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเป็นผู้เรียนมาเองแต่ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความรู้นึกถึงตัว ก, กอก็ออกมาทันที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 เหมือนกับมีนางขับกร่อมบำรุงบำเรอ ม, มีผู้บริการคนรับใช้รับสอยอยู่ตามระยะทางทั่วไปจนถึงสถานที่อยู่ก็มีเต็มไปด้วยผู้บริการคอยรับใช้เพราะเหตุใดท่องเกิดเงินในกระเป๋าเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเกิดมาจากเจ้าของเองที่หามาได้ด้วยความชอบทํา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 ทั้งแผ่นดินตามตลาดรั่นค้าทั่วๆัวไปแต่จะถือมาเป็นสมบัติของตนนั้นมันจนใจที่ไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนและไม่มีเงินจะซื้อสุดท้ายก็ต้องยอมอดแสกท้องนอนบนแผ่นดินเป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่ใกล้ๆในตลาดเมืองอุดรของเรานี้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 แห่งพลคษท ร, รัพย์สมบัติเราก็จะกลายเป็นคนที่สองขึ้นมาในคนดีประเภทที่กล่าวนั้นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พอทำได้หาได้เกิดขึ้นจากน้ำใจเป็นของสำคัญมีอธิบายถึงการต้องเที่ยวในวัตะสงสารเป็นของที่แตกต่างกันอยู่โดยอำนาจวาสนาบุญญาพิสมพานอย่างนี้ทีนี้ผู้มีอำนาจวาสนา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 ก็เกิดในตระกูลกษัตย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกระบินระพัฒไม่มีความขัดข้องมีแต่ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้นทั้งโภคทรัพย์สมบัติสิ้นขาดบริวารเครื่องทรงทุกๆอย่างไม่มีอะไรขัดข้องบำเพ็นคุณงามความดีในเวลาที่พระองค์ เจ้าเสด็จออกข้านวดหนีอตรัสสรู้เป็นศาสดาของโลกเสด็จไปในที่ไหนมีแต่มนุษย์เทวบุตรเทวดาบูชาวันย่างค่าคืนย่างลุง่งเต็มไปด้วยเครื่องศักการะจะว่าเกิดขึ้นเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ เกิดขึ้นเพราะความดีของพระองค์เจ้าแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าที่จะปรากฏขึ้นในพระองค์ก็ต้องเกิดขึ้นจากงามความดีนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทินิตพิจณาอบรมจิตใจของตนแห่จะมาเกิดในโลกมนุษย์ เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นคนดีมีพออยู่พอกินพอเป็นพอไปที่อยู่ที่อาศัยปัจจยเครื่องช้ไม้สอยตลอดถึงสมบัติที่มีวิน ญ, ญาณและไม่มีดิน ญ, ญาณจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวและเพื่อนฝูงฝูงจะกลายเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นที่ไว้วางใจกันได้นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดี เมื่อเราท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอยู่ก็ขอให้ได้รับความสะดวกกาสบายกายอย่างนี้เพราะอํานาจของกรรมดีเมื่ออํานาจวาสนาของเรามีจนเพียงพอเพราะอํานาจแห่งการทํากรรมดีมีมากสีแล้วนั้นเราก็จะปรากฏว่าเอสร้างวูปะสโมจุขโขจะระงับซึ่งตังฐานประเภทที่เป็นไปด้วยความ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 ไม่รู้กี่กับกี่กันนับชาติไม่ได้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะถ อ, ถอนตนของตนให้ออกจากบ่ออันรุม่มลึกนั้นได้และไม่สามารถที่จะถอนตนของตนออกจากต่อแห่งมัตตนี้ไปได้นี่ท่านเรียกว่าอาวิชาความหลงในความเป็นอยู่ในความรู้อยู่ของตนจะทุกข์ยากลำบากก็ดีสุขก็ดี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 ประานก็ไม่มีความอาริสอร่อยโลกที่มีความเจือปนด้วยทุกข์แม้จะมีสุขเท่าไรก็าตามก็สุขเพื่อทุกข์เป็นของเจือปนกันอยู่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกอันนี้คือโลกสังขารธรรมได้แก่อนิจามาตสังขาราแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาขณะเกิดมีความยิ่มแยม้ม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 อวิชาซึ่งเป็นหัวหน้าของมัตตจักรหัวหน้าของสังขารซึ่งเป็นตัวสมุทยนี้ได้ถูกทำลายหายสูญหรือสิ้นไปจากหัวใจแล้วจะเหลือตั้งแต่ฟุตโธ ท, ทั้งแท่งได้แจ่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแลเรียกว่าเตสังวูปะสมุสุขโข ความระ ง, งับดับเสียซึ่งสังขานอันเป็นบ่อเกิดแห่งสมุทัยได้สิ้นสุดลงเพราะอำนาจของอวิชชาได้ดับไปแล้วเพราะเหยุแห่งปัญญาอันมีกำลังกล้าสามารถรประหารตัวอวิชชาซึ่งเป็นเสนียดจันลายนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วจึงกลายเป็นเตซั่งบุปะสมุสโข ความระงับดับเสียตึ่งสังหารทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ทรมารไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ความลำบากความดีใจเสียใจยอีกแล้วแม้จะมีสังขารคือร่างกายของเรานี้ครองอยู่ก็าตามสังขารประเภทสมุทัยที่เป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจของเราให้ยินดียินราย ให้เกิดความดีใจเสียใจให้เกิดความทุกข์ยากลาบากก็ไม่มีเพราะตัวเหตุมันหมดไปแล้วเช่นเดียวกันกับเตาไฟเมื่อหมดเชื้อไฟอยู่ภายในเตานั้นแล้วเราจะใส่ฟืนเข้าไปมากน้อยเท่าไรก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นฟืนเท่านั้นไม่กลายเป็นไฟขึ้นมาหน้ ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันใจถึงจะเรียกว่าใจก็อตามแต่ใจนี้ไม่มีเชื้อคืออวิชาเป็นเชื้อเมื่อใจไม่มีเชื้อแล้วสังขารตุงขึ้นมาก็เป็นธรรมล้วนๆคิดเรื่องอะไรก็เป็นธรรมล้วนๆเวทนาถึงจะสะวย ส, สุขทุกข์บ้างตามสภาพของขันมีอยู่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 เพราะสังขารตัวสมูทายได้ถูกทำลายไปแล้วนี้ท่านเรียกว่าเตสังบูปะสมูสุโขผู้ที่ถึงธรรมดวงนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้ถึงแดงแห่งความพ้นทุกข์แม้จะมีภาคมีขันดุก็ไม่มีความเดือดร้อนภายในใจเป็นเตสังบูปะสมูสุโขอยู่ตลอดเวลาแต่สังขารในขันห้านี้จะระงับไปไม่ได้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 ของพระองค์เจ้าที่จะชี้แจงแสดงธรรมให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายฟังอาศัยสัญญาจำว่าคนนั้นคนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้ควรจะรับธรรมของพระองค์เจ้าได้ขนาดไหนดิญญาณความรับรู้ว่าใครเข้าใจในพระสัจธรรมของพระองค์เจ้าและใครไม่เข้าใจในพระสัจธรรมของพระองค์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 ก็กลายเป็นสมุททยไปทางนั้นเดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งวันทั้งคืนเพราะเหตุแห่งขันเหล่านี้ได้รับการกดขีบ่บังคับออกมาจากสมุททยตัวใหญ่ได้แก่อวิชาเมื่อวิชาดับไปแล้วพึงทราบว่ า, าสังขารอันเป็นสมุนของอวิชาได้ดับลงไปพร้อมในขณะเดียวกัน จึงเรียกว่าเตสังงูปะสโมสุโขการนังับดักเสียซึ่งสังขารท่านกล่าวว่าเป็นความสุขอันยิ่งนั้นหมายถึงทมดวงนี้เองบรรดาเราทุกๆท่านสังขารที่เป็นตัวสมุ ท, ทยัยก่อความยุ่งยากแจตนดูทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ทราบอยู่ภายในจิตใจของเรา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 แม้แต่อวิชชาที่เป็นเจ้าการแห่งมัตตจักก็ได้ถูกทำลายลงแล้วด้วยปัญญายังไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นั้นกลายขึ้นมาเป็นเต้ังบูปะสโมสุขโขระงับสังขารอย่างราบคาบเมื่อสังขารภายในจิตใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งอวิชชาดับไปแล้วสังขารประเภทนี้ แม้แตกลงไปแล้วก็ไม่ต่อและไม่สร้างเป็นสังขารประเภทใหม่ขึ้นมามีความระ ง, งับดับเสียซึ่งสังขารอยู่ตลอดเวลาแม้ออกจากร่างนี้แล้วก็ไม่เข้าไปสู่ปฏิชนิที่ไหนไม่ต้องเป็นนักเกิดเจ็บตายอีกต่อไปแล้วเหมือนอย่างพระพุธทธเจ้าของเา่า เพราะท่านระงับดับเสียได้ซึ่งสังฐานอันเป็นตัวเสียดจนไ่เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในวัฏตสรตรงสารนี่เสียไม่มีอันใดที่จะก่อกําเนิดเกิดต่อไปอีกแล้วเป็นสุขโตสเสด็จไปดีมาดีแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้เป็นประโยชน์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 แต่ธรรมชาติวัตุที่ถูกกล่าวนั้นคือความตายมันตายอยู่ตลอดเวลาแม้อยู่ณาบัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรานี้มันก็ตายในบ้านในปา่าภูเขาลเนาไพรมันก็ตายในาน้ำบนบกมันก็ตายตายทั้งวันทั้งคืนถ้าหากว่ามีเสียงเหมือนกับเสียงปืนแล้ว เยือหูของเราทั้งหลายแตกทำลายไม่มีอันใดเหลือเพราะเหตุใดเพราะความเปรยมันก็ดังขึ้นมาความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมาความทุกข์ยากลำบากในครอบครัวเย่าเรือนแต่ละครอบครัวมันก็ดังขึ้นมาสาตเทรับความทุกข์มันก็ดังขึ้นมาที่อยู่ใต้น้ำ บนบกมันก็ดังขึ้นมาแม้ที่สุดพวกเรานั่งฟังเทศอยู่นบบัดนี้เกิดความทุกข์ต่างก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปืนดังถึงเรื่องกองทุกข์เยื่อหูจะไม่สามารถต้านทานอยู่ได้เพราะกองทุกข์มันประกาศลั่นโลกอยู่อย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้ว่าอนิจจาวัตสังขรารอย่างไรอ่ะมันเป็นซ้ำซ้ำซากๆาอยู่ตลอดเวลาต้องแสดงตามหลักความจริงที่มันเป็นอยู่เช่นนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นิดพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมีอยู่มันก็แสดงเสียงลั่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่นี้มันไม่มีปืน ให้สัญญาณแก่พวกเราในขณะความทุกข์หรือความแปรปรวนปรากฏขึ้นในสัตว์แต่ทั้งขานแต่ละหลายละลายจึงคล้ายๆกับว่ามีทุกข์แต่เราคนเดียวมีความเดือดร้อนแต่เราคนเดียวมีความฟุ้งซ่านมุ่นวายแต่เราคนเดียวมีความยากลําบากแต่เราคนเดียว เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่เราคนเดียวโลกเขาคล้ายกับว่าเป็นทองคำไปหมดแต่ที่จริงโลกมันก็โลกอันเดียวกันธาตุขันอันเดียวกันหัวใจอันเดียวกันมันจะต้องเป็นทุกอย่างเดียวกันนี่เองขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พินิษพิจรนนารณาในธาจิตที่ได้ยกขึ้นว่า อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งของเขาทั้งของเรามันไม่เทีย่ยบอุปาณวยาธรร ม, มิโนอุปัชิตวานิรุ ช, ชันติมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆมันแตกด้วยกันทั้งนั้นเอสร้างอุปสโมสุโ ข, ข จงพยายามทําความระงรับดับเสียซึ่งต้นเหตุคือสังขารอันเป็นตัวสมุทรไทยให้มันดับชินไปเสียจากใจแล้วสังขารที่เป็นตัวผลคืออนิจจาวัฏสังขาราความเกิดความตายแห่งสังขารนี้จะไม่ปรากฏแต่ใจของเราต่อไปอีกแล้วเรียกว่าถึงสันติธรรมอันราบคาบได้แก่บรมตุก ค, คือวิมุตพระนิพานในอวสานแห่งพระธรรมเทศ